การที่ข้าพเจ้ากล้าเขียนเรื่องโรคมะเร็งทั้งๆที่ไม่เคยเป็นแพทย์เลยและผู้ที่บอกคือโอปปาติกะก็ไม่เคยเป็นแพทย์มาก่อนทั้งนี้ก็โดยอาศัยวิธีทางสมาธิดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่เขียนไว้นี้จะผิดถูกเป็นประการใดก็ขอให้วงการแพทย์ลองนำไปพิจารณาดูแต่เรื่องที่เขียนมานั้นยังไม่ละเอียดพอฉะนั้นจึงต้องอธิบายเพิ่มเติมอีก และถ้าคนไหนได้อ่านแต่เรื่องที่เขียนมาเมื่อคราวก่อนก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าขึ้นชื่อว่าโรคมะเร็งแล้วจะต้องเนื่องมาจากบาปกรรมเสมอไปซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้น ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งจะเนื่องมาจากการทํำบาปกรรมหรือไม่เกี่ยวกับบาปกรรมโดยตรงก็ตามเพียงแค่นี้ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งความไม่สบายใจที่เกิดบ่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นอารมณ์ถาวรหรือความรู้สึกที่ฝังลึกคลายออกได้ยากและคอยทําลายความสุขทุกอย่างไม่ว่าจะเนื่องมาจากอะไรซึ่งการทําลายที่ว่านี้บางทีเจ้าตัวก็อาจจะไม่รู้สึก เพราะมันเป็นการทำลายอย่างเงียบๆจากจิตใจส่วนลึกเพียงแค่นี้ก็ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งถ้าหากความไม่สบายใจที่ว่านี้เพิ่งจะเกิดในชาตินี้ความไม่สบายใจที่สะสมไว้มากจนเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนั้นต้องมีมาตั้งแต่ชาติก่อนซึ่งความไม่สบายใจอันนี้ติดมากับวิญ ญ, ญาณที่มาปฏิสนธิและจากความไม่สบายใจอันนี้เอง มันจะทำให้อำนาจการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอำนาจขับถ่ายสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายและอำนาจต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บหรือต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดเพราะอำนาจควบคุมการทำงานและการเจริญเติบโตผิดปกติไปแม้เพียงเท่านี้ก็ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งจนกว่าจะมีเหตุประกอบที่เป็นตัวการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ซึ่งเหตุประกอบที่ว่านี้ในวงการแพทย์รู้ดีว่ามีอะไรบ้างต้องมีเหตุประกอบอันนี้ด้วยโรคมะเร็งจึงจะเกิดได้ข้อที่น่าสังเกตก็คือลักษณะของเซลล์ที่เกิดขึ้นมาเป็นมะเร็งคือเป็นเนื้องอกหรือเป็นเนื้อร้ายนั้น การเกิดและการเจริญเติบโตของมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมเหมือนเซลล์อื่นๆในร่างกายแปลว่ามันมีวิธีแห่งการเกิดและขยายตัวของมันอีกแบบหนึง่งซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษว่ามันเนื่องมาจากอะไร อันที่จริงเซลล์ที่เกิดขึ้นมาผิดปกติและกลายเป็นเนื้องอกแต่ไม่เป็นโรคมะเร็งก็มีเพราะมันไม่ทำลายเซลล์อื่นๆที่อยู่ล้อมรอบมันฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงมีอยู่ว่าเซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นเซลล์ที่ผิดปกติและมีอำนาจทำลายเซลล์อื่นๆที่อยู่ล้อมรอบมันด้วยอันนี้ขอให้พิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นได้ง่ายว่าเกิดมาจากวิบากของความทุกข์ที่สะสมเอาไว้มากนั่นเอง แต่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องเข้าใจถึงความจริงขั้นมูลฐานเสียก่อนว่าอำนาจควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงการทำงานทุกอย่างในร่างกายนี้เกิดมาจากจิตใจทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในจิตใจของผู้ใดมีอะไรผิดปกติและสิ่งที่ผิดปกตินั้นมีกาลังมากก็เป็นของแน่นอนว่าจะต้องทาให้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในร่างกายได้ ซึ่งตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้อ้างมาแล้วก็คืออวัยวะทางเพศของผู้หญิงกับผู้ชายทําไมจึงไม่เหมือนกันคนโดยมากที่ไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้ก็มักจะตอบกันว่าธรรมชาติได้สร้างมาเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งคําตอบที่ว่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราเกิดความสว่างในเรื่องของชีวิตขึ้นมาได้เลย ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ทุกคนควรจะพิจารณาก็คือลักษณะพิเศษทางร่างกายของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเช่นลายมือไม่เหมือนกันลักษณะคิ้วจมูกลูกตาหน้าผากใบหูตลอดถึงฝัยหรือปานซึ่งสิ่งเหล่านี้คนเรามีไม่เหมือนกันแม้จะเกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันและข้อสําคัญก็คือคนที่ชนานาญในการดูลักษณะเขาสามารถที่จะบอกได้ว่า คนที่มีลายมืออย่างนี้มีจมูกมีคางมีหน้าผากอย่างนี้มีปานตรงนั้นตรงนี้มีฝ่ายที่นั่นที่นี่หมายความว่าอย่างไรแสดงให้ทราบถึงอะไรซึ่งข้อเท็จจริงในทางโหราศาสตร์ซึ่งรวมทั้งการดูลักษณะต่างๆของร่างกายด้วยนั้นทําให้เราต้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มันมีสาเหตุของมันโดยเฉพาะและสาเหตุที่ว่านี้เมื่อสืบสาวไปให้ถึงต้นต่อก็จะพบว่าออกมาจากจิตใจทั้งสิ้นคนที่สร้างบุญบารมีไว้มากจิตใจสูงด้วยคุณธรรมต่างๆลักษณะาทางร่างกายก็ย่อมจะเป็นอย่างหนึ่งส่วนคนที่สร้างบาปกรรมไว้มากภายในจิตใจมีความชั่วหรือความไม่ดีอยู่หลายอย่างลักษณะาทางร่างกายก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง โปรดสังเกตว่าความแตกต่างอันนี้ย่อมจะมีแม้แก่บุคคลที่เกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันอย่าลืมเป็นอันขาดว่าอำนาจในการควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงและการทำงานต่างๆในร่างกายนั้นเกิดมาจากวิญญาณทั้งสิน้นทุกอย่างเกิดมาจากใจเพราะฉะนั้นจึงเป็นการไม่ยากที่จะมองเห็นว่า โรคมะเร็งทางกายเกิดมาจากมะเร็งทางจิตใจในหนังสือวิญญาณฉบับก่อนข้าพเจ้าได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำกรรมไม่ดีแต่ในฉบับนี้ข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นว่าความไม่สบายใจก็เกิดจากการทำความดีได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคมะเร็งไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนไม่ดีเสมอไป พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสได้คือความพ้นทุกข์ตัณหาหมายถึงความอยากหรือความต้องการที่เป็นไปตามอารมณ์หรือถึงแม้ในบางครั้งจะเป็นไปตามเหตุผลแต่ก็ปล่อยวางไม่ได้ทำใจให้เป็นอิสระไม่ได้ทำใจให้ว่างไม่ได้ และเพราะปล่อยวางไม่ได้นี่แหละในเวลาผิดหวังหรือไม่ได้อย่างใจหรือถูกขัดใจความทุกข์จึงได้เกิดขึ้นเมื่อพูดถึงตัณหาคือความต้องการต่างๆอย่างที่คนเรามีกันอยู่ทุกวันนี้คนทั่วไปจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นบาปกรรมก็ต่อเมื่อความอยากอันนั้นเป็นไปในทางต่ำทำให้ตัวเองเดือดร้อนทาให้คนอื่นเดือดร้อน เช่นอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากกระพฤพิผิดในการมอะไรทำนองนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นความอยากที่เป็นไปในทางดีและมีเหตุผลเช่นอยากเรียนหนังสืออยากมีความรู้ถ้าเป็นหมอก็อยากจะรักษาคนไข้ให้หายหรือเป็นครูก็อยากจะให้ลูกศิษย์มีความรู้และเมื่อเห็นใครเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือ ความอยากในลักษณะอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ควรจะรักษาเอาไว้ถ้าไม่มีก็ควรจะทำให้มีขึ้นสำหรับคนที่ประพฤติตัวหรือทำอะไรไปตามความอยากอย่างนี้เราพูดกันว่าเขาทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วแต่ถ้าพิจารณาจากแง่ของความจริงในขั้นสูงคือในแง่ของอริยสัจเราก็จะพบว่าแม้ความอยากจะเป็นไปในทํานองที่ดีอย่างนี้ แต่ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ทำใจให้เป็นอิสระไม่ได้ทำใจให้ว่างไม่ได้เวลาสมความปรารถนาก็ดีใจแต่ถ้าผิดหวังก็เสียใจความอยากที่มีลักษณะอย่างนี้แม้จะดีสักเพียงไรมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่นั่นเองเพราะยังเป็นต้นเหตุให้เกิเกดความทุกข์ได้และแน่นอนคนที่ทำความดีอยู่เสมอเป็นคนตั้งใจดีมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น แต่ถ้าผิดหวังที่ไรหรือถูกขัดใจเมื่อไรความทุกข์เป็นต้องเกิดขึ้นทุกครั้งถ้าใครยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็อาจจะเป็นโรคมะเร็งได้ถ้าหาความทุกข์ที่ว่านี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นอารมณ์ถาวรและคอยทำลายความสุขทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปไหนด้วยเหตุนี้คนที่ทำความดีก็อาจจะเป็นโรคมะเร็งได้ ตามหลักพุทธศาสนาสอนว่าคนที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆนั้นจะต้องไม่ทำความชั่วทุกอย่างทำแต่ความดีต่างๆแต่จะต้องไม่ให้ความดีทรมานจะต้องเป็นคนที่อยู่เหนือความดีไม่ตกเป็นทาสของความดีด้วยจึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์ได้จริงๆเช่นคนบางคนเป็นคนกตันยูต่อผู้มีพระคุณเพราะความกตันยูจึงทำให้ไม่สบายใจอยู่เสมอ เนื่องจากความคิดเห็นและการกระทําไม่ลงรอยกับผู้มีพระคุณจะทําตามใจตัวเองก็ไม่ได้จะทําตามความคิดเห็นของผู้มีพระคุณก็ต้องฝืนใจอย่างมากทําให้เกิดความขัดแย้งทําให้เกิดความวิตกกังวลนั่งสมาธิก็ไม่ได้ทาใจให้สงบไม่ได้นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งของคนที่ถูกความดีทรมาน โดยธรรมดาคนที่มีความกะตันยูก็นับว่าเป็นคนที่ดีและคนเราจะพ้นทุกได้ก็จะต้องมีพื้นเป็นคนกะตันยูแต่จะต้องมีความเข้มแข็งมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในความกะตันยูนั้นด้วยตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สำนึกในพระคุณของผู้มีพระคุณอย่างสูงที่สุดใครทาคุณทาประโยชน์ให้แม้เพียงเล็กน้อย ก็ส่งรู้สึกถึงบุญคุณและท่งคิดที่จะตอบแทนเสมอด้วยความเต็มใจแต่แล้วพระพุทธเจ้าก็ท่งสละราชสมบัติสละเมียสละลูกสละทุกอย่างคล้ายกับจะเป็นคนใจดำที่สุดไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนไม่คำนึงถึงความเศร้าโศกเสียใจที่จะเกิดขึ้นแก่พระเจ้าสุทโทธทนะพระนางพิมพาและคนอื่นๆ อ, อีกมากมายพระพุทธเจ้าไม่ทรงเดือดร้อนอะไรเลย ในเมื่อพระองค์ทรงตัดสินพระไทยอย่างเด็ดขาดแล้วว่าจะต้องออกบวชอย่างนี้เรียกว่ามีความเข้มแข็งอยู่ในความกระตันยูความกระตันยูจึงจะทรมานไม่ได้และในทํานองเดียวกันบางคนมีความรู้ดีมากมีความเมตตากรุณาสูงแต่แล้วก็ได้รับความลำบากเพราะความดีที่ว่านี้เหมือนอย่างพ่อแม่ที่มีความฉลาด มีความรักต่อลูกอย่างบริสุทธิ์ใจยอมรับความลำบากทุกอย่างเพื่อลูกแต่แล้วก็มักจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เสมอเพราะความเมตตากรุณาต่อลูกนี่แหละอย่างนี้เรียกว่ายังไม่อยู่เหนือความดียังไม่เป็นอิสระยังตกเป็นทาสของความดีคนที่จะนับว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงจริงนั้นขอให้ดูตัวอย่างจากคนกวาดถนนเมื่อตัวเองมีหน้าที่กวาดก็กวาดไป และพยายามกวาดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวแต่แล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนในเมื่อมีคนอื่นมาทำให้ถนนสกปรกเพราะถ้าถนนสะอาดไม่สกปรกเลยเขาก็คงไม่จ้างให้มาเป็นคนกวาดถนนเพราะคิดได้อย่างนี้จึงไม่เดือดร้อนเขาทำความดีต้องการให้ถนนสะอาดแต่พร้อมกันนั้นเขารู้จักปล่อยวาง คนที่ทำความดีเหมือนกับคนกวาดถนนดังที่กล่าวมานี้ได้เขาไม่มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งได้เลยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่แน่ว่าจะไม่เป็น บนโลกนี้มีแต่ความทุกข์ตรงยามที่เรามีสุดนั้นแสนสั่นดังสายลมสุดท้ายของคนบนโลกกลมกสุขนั้นคือคือทุกใจันท